ณมรณารวมบทความคัดสรรของดังตรินเกิดทั้งน้ำตาไม่น่าอายแต่อย่าตายทั้งน้ำตาก็แล้วกันเรียบเรียงเสียงอ่านและดนตรีประกอบโดยพงเพชรอมรศิษฐ์เสียงอ่านโดยพงเพชรอมรศิษฐ์กินฉัตรานนท์และอลิสาฉัตรานนท์ ซีดีชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้นไม่มีการจำหน่ายท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เครือข่ายพุทธกาโทร028830592และ028869881จัดทำครั้งแรกมีนาคม2551 ทำนำคณะผู้จัดทมถ้าถามว่าการสอบครั้งไหนสำคัญที่สุดในชีวิตคนคนหนึ่งหลายคนคงนึกถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเลือกสาขาอาชีพการสอบเข้าบรรจุทำงานในตำแหน่งหน้าที่ในอุดมคติหรือแม้แต่การขอคนรักเพื่อที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่ส่วนใหญ่ลืมนึกถึงการสอบครั้งสุดท้ายในชีวิตที่จะต้องเจอ นั่นก็คือเวลาตายกระบวนการตายและขั้นตอนที่แต่ละคนจะผ่านยังเป็นเรื่องลี้ลับสาหรับวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันแต่ไม่ว่ากระบวนการหรือขั้นตอนจะเป็นอย่างไรก็เป็นที่แน่นอนว่าเมื่อเราเกิดมาทุกคนก็เหมือนยื่นใบสมัครสอบไว้เรียบร้อยรอเพียงวันกำหนดสอบเท่านั้นหนังสือเล่มนี้ เปรียบเสมือนคู่มือเตรียมสอบหรือการเตรียมตัวตายที่เริ่มตั้งแต่ทำไมการสอบครั้งนี้จึงเรียกว่าสำคัญที่สุดเราจะเตรียมตัวสอบอย่างไรต้องใช้เวลาขนาดไหนในการเตรียมตัวสอบอธิบายสนามสอบข้อสอบเก่าที่ผ่านมาแล้วผู้ที่เคยผ่านสนามสอบในอดีตรวมไปถึงแบบฝึกที่สามารถทำได้จริงและเห็นผลจริงๆตั้งแต่ก่อนเข้าห้องสอบ อย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ระดับใดก็ขึ้นอยู่กับผู้อา่านถ้าตั้งใจอ่านเล่นข้าวเวลาก็จะสามารถข้าวเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าตั้งใจอ่านเพื่อเอาข้อคิดคำคมก็จะได้ทั้งข้อคิดและคำคมมากมายแต่ถ้าตั้งใจอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบครั้งสำคัญและทำแบบฝึกหัดตามลำดับก็จะพบว่า การตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวและสามารถรู้สึกได้ว่าแค่ได้เตรียมตัวก็มีกระแสแห่งความสุขค่อยๆไหลรินสู่ใจความทุกข์ทั้งหลายค่อยๆละลายหายไปเพียงแค่เราได้เตรียมตัวอย่างถูกวิธีไม่ว่ากำหนดสอบจะมาถึงเมื่อไหร่เพียงแค่อ่านหน้านี้จบก็คงสุขคิดขึ้นมาได้ว่าเราสมัครสอบไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนจะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณคุณดังตรินที่อนุญาตให้จัดพิมพ์ข้อเขียนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่พร้อมจะเตรียมตัวทั้งหลายและเครือข่ายพุทธิกาที่ช่วยประสานงานจัดรูปเล่มทำอาร์ตเวิร์จนสำเร็จออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ได้ ขอให้อานิสง์ของการจัดทำหนังสือเล่มนี้จงมีแ ด, ดท่ทุกๆท่านที่ได้ยื่นใบสมัครสอบและอยู่ระหว่างการเดินทางโดยทั่วกัน